สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกแล้วนะครับผมนายทหารคนชอบเล่าวันนี้ในหมวดของเรื่องดี้ลับผมขอจัดคลิปตามคำแนะนำหน่อยนะครับเป็นคลิปที่เกี่ยวกับการทุดรูของพระเกติอาจารย์ผู้เรืองเวทรูปหนึ่งมีนามว่าหลวงพ่อรุ่นวัดพลแพงหลวงพ่อรุนท่านนี้ท่านเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอด นับตั้งแต่ท่านได้บวชเป็นสั ม, มเนนจนกระทั่งได้แต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสบัทพนแพงในปัจจุบันท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงภูมิวิชาทางสายเวทในหลายแขนงและนับว่าเป็นพระนพัฒนาที่น่าศรัทธามากอีกองค์หนึ่งประจำท้องถิน่นในอดีตที่ผ่านมาหากชาวบ้านหรือสิทธิ์คนใดถูกผู้ผีหรือปีศาจคุณใสเล่นงานแล้วก็จะต้องมีอันหามหาหลวงพ่อลุนเพื่อทําการรักษาว่ากันว่า ท่านสามารถทําน้ามนต์เพื่อใช้สําหรับอาบให้ลูกศิษย์เพื่อขับไล่เสนียดจันไให้ออกไปได้ทําให้ชื่อเสียงของท่านกระจกระจายไปทั่วแถบดินแดนอีสานอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องวิชาการปราบอาถรรพ์และพูดผีปีศาจ ท, ทั้งหลายเป็นหลักและสิ่งที่ผมจะเล่าในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในตำนานที่เกี่ยวกับในการปฏิบัติกิจเดินทุดองของหลวงพอ่อหลุนวัดพนแพรงมีครั้งหนึ่งเมื่อหลวงพ่อหลุนทุดองผ่านไปถึงอย่างป่าอาถรรพ์แห่งหนึ่ง ก็ปรากฏว่ามีภูมิเทวดาเจ้าที่ได้แสดงตนออกมาในนิมิตกรรมฐานเพื่อบอกกับหลวงพ่อลุนว่าพระคุณเจ้าเขตป่านี้อันตรายมากชุกชุมไปด้วยพูดผีปีศาจและยังมีเสือสมิงสามตัวที่สิงสถิตหากินอยู่ถิ่นนี้หากหลวงพ่อมีความจำเป็นจะทุดงผ่านไปแล้วก็จะต้องระวังตัวทุกฝีก้าวและจะประมาทมีได้เมื่อกล่าวจบภูมิเทวดาจึงหายไป ในระหว่างช่วงสามคืนแรกที่หลวงพอ่อลุนปักตรดอยู่บริเวณป่านี้ท่านก็มีได้ผ่านพบเสือสมิงแต่อย่างใดหากแต่ที่พบเจอก็มีแต่ดวงวิญญาณของผู้ทุกข์ยากไม่ได้ไปผุดไปเกิดมาขอส่วนบุญเป็นจำนวนมากซึ่งท่านก็ได้เจริญภาวนาแผ่เมตตาให้ไปและเมื่อท่านปฏิบัติกรรมฐานล่วงไปถึงคืนวที่สคืนนั้นก็มีเหตุแปลกประหลาดที่น่าสะพรึงกลัวเกิดขึ้นหลวงพอ่อลุนท่านกล่าวว่า คืนนั้นเวลาตีสองเห็นจะได้หลวงพ่อกําลังนอนหลับอยู่ในกรดนั้นจู่ๆก็ได้ยินเสียงของชายผู้หนึ่งมาร้องปลุกหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อตื่นเร็วๆเสือมาแล้วเสือมาแล้วครับหลวงพ่อตื่นเร็วๆเสียงนั้นดังถึงสมครั้งเมื่อหลวงพ่อตื่นขึ้นสัญชตาตญาณของพระป่าได้ลุกโชติสว่างขึ้นมาทันทีและขณะช่วงเวลานั้นหลวงพ่อก็ได้กลิ่นสาบเสือคลุงเต็มบริเวณที่ปักกรดเต็มไปหมด หลวงพ่อจึงรีบเข้าสมาธิและแผ่เมตตาอย่างไม่รอช้าแต่เสียงของชายหนุ่มผู้หวังดีกลับดังขึ้นมาอีกครั้งและเตือนว่าไม่มีประโยชน์หรอกครับหลวงพ่อไม่มีประโยชน์รีบดีปฏิกรรมคาถาป้องกันตัวเองเถอะผมคุ้มครองหลวงพ่อดีไม่นานนักหรอกสิ้นเสียงชายหนุ่มผู้หวังดีหรืออาจจะเป็นเสียงของเหล่าภูมิเทวดาผู้แจ้งเหตุเสียงอีกเสียงหนึ่งก็ได้ดังขึ้นมาระวังตัวระวังตัวสมิงมาแล้วสมิงมาแล้วและทันทีทันใดนั้น ก็มีเสียงฝีเท้าและเสียงคำรามของเสือได้เกิดขึ้นบริเวณรอบกรดหลวงพ่อสัมผัสได้ว่าอันตรายกำลังจะคลืบคลานเข้ามาทีละน้อยทีละน้อยและในที่สุดการจู่โจมจึงเริ่มขึ้นเมื่อเสือลายพาดกรอนตัวหนึง่งขนาดใหญ่พอๆกับลูกม้าแรกเกิดเด็กกระโจนไปนหนึ่งเหมือนวิ่งตรงเข้ามาในกรดแต่เมื่อมันเข้ามาใกล้กับกองไฟที่หลวงข้อได้ก่อไว้แสงไฟก็เกิดลุกสว่างร้อนวาบดังคลึบขึ้นมาทันทีนั่นก็คือเพราะขนาดนั้น ลงพ่อกำลังเจริญเตโชกสินหรือทำสมาธิให้เกิดเปลวไฟขึ้นเต็มที่ซึ่งด้วยอำนาจวิชากระสินไฟท้าสมาธิแก่กล้านั้นอะไรก็ฝ่าแสงตบะบารมีแห่งกระสินไฟเข้ามาไม่ได้ทำให้เจ้าสมิงลายพาดกรนตัวนั้นถึงกับชงักทันทีตามธรรมดาแล้วสัตว์ป่าย่อมต้องตัวแสงไฟแต่เสือสมิงที่ภูเขาควายนี้กระหายเลือดเกินกว่าที่แสงไฟจะห้ามมันได้ ไม่นานจู่ๆเสือลายพาดกรอนอีกตัวหนึง่งก็กระโจนเข้ามาทางด้านหลังของโกรธของหลวงพ่ออีกครั้งแต่มันก็ต้องชะ ง, งักลงไปอีกเมื่อเปลวไฟจากกองเพลิงที่สุมไว้ลุกโชนขึ้นอย่างแรงจนทำให้เกิดสะเก็ดไฟดังริ่เรี ย, เ, รยเพียงเท่านี้ก็สามารถหยุดการจู่โจมของเสือสมิงแห่งคูเขาควายลงได้แต่นั่นไม่ได้ไหมายความว่าจะทำให้มจุราชลายพาดกรอ น, นั้นเกิดความเกรงกลัวถึงขนาดจะหนีกลับเข้าป่าไปตามเดิม มัจจุราชทั้งสองได้พยายามเดินไปรอบๆ บ, บริเวณกรดคาดว่ามันจะเข้ามาไม่ได้เพราะอำนาจกสินไฟบวกกับธาตุไฟที่กองไฟยังคงมีอยู่แต่ถ้าไฟมอดเมื่ไรนั่นหมายถึงการจู่โจมอีกครั้งของเสือสมิงทั้งสองตัวเป็นแน่ในขณะที่กสินไฟดํารงอำนาจศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรักษากองเพลิงให้ยังคงอยู่ทาให้รอบขอบเขตบริเวณกรดนั้นยังถือว่าเป็นเขตปลอดภัยแต่อำนาจความศักดิ์สิทธิ์นี้ คงอยู่ไม่ได้นานแน่หากเมื่อใดที่ไฟมอดดับสิ้นลงนั่นคืออันตรายอีกครั้งที่จะเริ่มขึ้นหลวงพ่อท่านทราบเหตุปัจจัยข้อนี้เป็นอย่างดีจึงถือโอกาสในช่วงที่ไฟยังติดอยู่นี้หยิบของสิ่งหนึ่งขึ้นมาอาราธนานั่นก็คือผ้ารัดอกของหลวงพ่อ น, นั่นเองนำมาลงอักขระอย่างรวดเร็วจากนั้นจึงนำได้มาผูกให้เป็นห้าเปราะสาเร็จเป็นรูปคนจึงเสกเข็มเย็บจีวรด้วยพระคาถาอาวุธพระพุทธเจ้า ให้กลายเป็นอาวุธเมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมดีแล้วจึงใช้เวลาทั้งหมดที่มีอยู่รวบรวมกําลังสมาธิทั้งหมดเท่าที่มีในตอนนี้บริกรรมคถาตํำรับวิชาผูกขุนพยนต์ขึ้นมาหนึ่งตัวจนกระทั่งบังเกิดนิมิตในกรรมฐานสําเร็จเป็นนักรบขุนชกันที่ถือดาบแหลมยาวหนึ่งคนเมื่อสําเร็จดีแล้วหลวงพ่อจึงยน์หุ่นพยนต์ตัวนั้นออกไปนอกกรดแล้วก็บริกรรมพักคถาสั่งว่าให้ช่วยขับไล่เสือสมิงออกไปให้ไกลาจากเขตนี้ ทันทีที่หุ่นพยนต์ตกลงบนกอหญ้าเสียงดังตึกตักตึกตักตึกตักคล้ายกับการสู้รบจึงเริ่มเกิดขึ้นหลวงพ่อจึงเริ่มหลับตาบริกรรมหนุนท่ากสินเข้าช่วยหุ่นพยนต์ไม่นานเสียงร้องของเสือตัวหนึ่งก็ได้โหยหวนขึ้นมาประหนึ่งว่ากำลังทรมานอย่างมากแต่ก่อนที่เสียงจะหายไปหลวงข้อก็รู้สึกเหมือนกับว่าได้ถูกของหนักมากระแทกเข้าที่ด้านหลังอย่างแรงจนทําให้ถึงกับเลือด ก, กำเดาออกนิมิตหมายเช่นนี้หมายความว่า คุณพยโยนได้ถูกเสือสมิงทั้งสองนั้นทำลายเสียแล้วแต่ด้วยหัวใจความเป็นพระป่ากรรมฐานนั้นความเจ็บปวดเพียงเล็กน้อยเท่านี้ไม่อาจทําให้กลัวได้แม้แต่น้อยหลุงพ่อจึงลืมตาขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้นําสิ่งที่สําคัญอีกอย่างของพระป่ามาจบเหนือหัวด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วอธิษฐานว่าข้าแต่คุณพระศรีรัตนไตรยัยคุณพ่อคุณแม่และครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ข้าพเจ้าขอฝากชีวิตทั้งหมดไว้กับท่าน จากนั้นจึงอธิษฐานว่าอิมังสังคติงอธิษฐานมิทุติยัมปิอิมังสังคติงอธิษฐานมิตติยัมปิอิมังสังคติงอธิษฐาน ม, ม, ม, ามิจากนั้นจึงนําได้มาผูกให้ได้5้าเปลอีกครั้งสําเร็จเป็นรูปคนตัวใหญ่จึงเริ่มบริกรรมพระคาถาผูกคุณพยนต์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งทันทีที่กระแสะจิตได้เริ่มแผ่ออกไปทําให้เสือสมิงทั้งสองซึ่งตัวหนึ่งยังคงบาดเจ็บอยู่สัมผัสร่วงรู้ว่า หลวงพ่อกำลังทำขุนพยนต์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งจึงทำให้มันตัดสินใจหลบไปตั้งหลักกันก่อนเมื่อมจุราชทั้งสองถอยกลับไปแล้วพวกมันก็ได้นํากลิ่นสาบของมันกลับไปด้วยทั่วทั้งบริเวณกรดกลิ่นสาบเสือได้จางลงจางลงและหายไปในที่สุดก็เป็นเวลาพอดีที่แสงอาทิตย์ยามเช้าทอแสงขึ้นมามรณานุสติจึงบังเกิดขึ้นในใจของหลวงพ่อทันทีหลวงพ่อคิดว่า ความตายจะต้องพึงบังเกิดแก่เราอย่างแน่นอนไม่วันนี้ก็วันพรุ่งนี้แต่วันนี้เรายัางโชคดีและจู่ๆก็มีเสียงของภูมิเทวดาดังขึ้นอีกครั้งว่าพักผ่อนเถอะครับหลวงพ่อสว่างแล้วผมจะพาหลวงพ่อออกไปจากเขตนี้เองและหลวงพ่อจึงล้มตัวลงนอนหลับทันทีด้วยความเหนื่อยอ่อนประมาณสายๆเห็นจะได้หลวงพ่อตื่นขึ้นมาก็พบกับชายชาวบ้านผู้หนึ่งหน้าตาดีแต่งตัวสะอาดสะอา้าน นำอาหารมาถวายพอถวายแล้วก็ไปรอรับพรรีบลากลับบ้านไปเลยจึงไม่ได้คุยอะไรกันเมื่อฉันเสร็จแล้วจึงได้ตัดสินใจเก็บเครื่องอัฐบริขารต่างๆแล้วรีบเดินทางมุ่งหน้าออกจากเขตป่าอาถนรนี้ทันทีหลังจากเดินทางล่วงเลยเวลามาจนกระทั่งถึงเวลาเย็นปรากฏว่าสถานที่ที่ตัดสินใจว่าจะต้องปักกลดในคืนนี้ก็คือสถานที่ที่ปักกลดเมื่อคืนนี้นั่นเอง จะด้วยเหตุใดหรืออะไรจะบันดาลก็ตามหลวงพ่อตัดสินใจแล้วว่าจะขอสู้ตายภัยอำนาจมืดที่หมายปองอชีวิตของหลวงพ่อนั้นอยู่ที่นี่จนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งและในช่วงก่อนเวลาที่จะขํามืดนั้นหลวงพ่อก็ได้ทําบัดเย็นจเจริญพระพุทธมนต์เต็มภูมิความรู้ทั้งหมดเท่าที่จะท่องจําได้จากนั้นจึงนําฟืนไม้แห้งออกมาสมไฟไว้เป็นจํานวนมากเสร็จแล้วจึงนําผ้าสังขติออกมาผูกได้ห้าเปรอ สำเร็จเป็นตัวคนแล้วก็บริกรรมพร ะ, ะาคาถาภูกขุนพยน์ขึ้นอีกครั้งหนึง่งโดยครั้งนี้ตัดสินใจภูกขุนพยนต์ขึ้นเป็นรูปยักษ์เท้าเบสุบันอย่างดีแล้วก็ปลุกเสกเรื่อยไปไม่ยอมพักผ่อนจนกระทั่งถึงเวลาตีสองยามข้ามที่มือสนิดและเงียบสงัดนั้นจู่ๆฝนก็ได้ตกลงมาอย่างหนักทําให้กองไฟที่ท่านสุมไว้นั้นดับลงสนิทแต่หลวงพ่อก็ยังคงบริกรรมนั่งสมาธิต่อจนกระทั่งเมื่อฝนหยุดตก ได้ปรากฏว่ามีพรานป่าผู้หนึ่งเนื้อตัวมีสภาพเต็มไปด้วยเลือดวิ่งหกลุ้มคลุกคลานมาแล้วจึงค่อยๆ ค, คลานเข้ามาหาหลวงพ่อปาก็ร้องเสียงดังว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับช่วยผมด้วยหลวงพ่อช่วยผมทีเสือกลับเสือหลุงพ่อลืมตาขึ้นภาพที่เห็นก็ให้เกิดความสนุดใจอย่างมากจึงรีบลุกออกเดินไปจากกรดหมายจะตรงเข้าทําการช่วยเหลือพรานป่าผู้เคราะร้ายทันที ก่อนที่จะออกพ้นบริเวณนอกกรดนั้นจู่ๆก็ได้บังเกิดลมบ้าหมูอย่างแรงพัดเอาผ้าสังคติที่ปลูกเสกไว้ปลิวเข้าไปทับร่างของพรานป่าผู้นั้นเสียงร้องห่วยหวนของพรานป่าได้เปลี่ยนไปทันทีกลายเป็นเสียงร้องที่เจ็บปวดปางตายของเสือลายพาดกรอนตัวใหญ่ซึ่งกําลังสะบัดหัวอย่างแรงเพื่อให้ผ้าสังคตินั้นหลุดออกไปจากหัวของมันแต่ก็ปราบประโยชน์ยิ่งมันสะบัดแรงเท่าไหร่ผ้าสังคติผืนนั้นก็ไม่ยอมหลุดออก ระหนึ่งเหมือนได้ทากาวติดเอาไว้ตอนนั้นหลวงพ่อได้เห็นจะจะ ก, กับตาว่าพรานป่านั้นได้กลายเป็นเสือไปแล้วก็ยืนตกตะลึงไปพักหนึ่งจากนั้นก็รีบนั่งสมาธิลงทันทีอย่างลืมตัวเพราะทําไปตามสัญชาตญาณของพระป่ากรรมฐานจากนั้นกบริกรรมพระคถาปลุกคุณพยนต์ยักษ์เท้าเวสุวรรณขึ้นมาจึงเริ่มต้นมนว่าอตักโขเวสุวรโนมหาราชาทัทัทาสะ โมคตาปิสัจเจสัเพยัคขาปลายันติอิสาธารุเวสุวรนโนภะควันตังเอตะโมจะเวสุวรนโนโลกวิทูกันณะกันนากันนิกันนีกันนุกันนูกันเนกันโนกันนังกันนะนะกันนังกันโนกันเนกันนูกันนีกันนิกันนากันนะกันปิสัจเจสัเพยยัคขาปลายันติ คำภาวนานี้ทำให้หลวงพ่อได้สติจึงหยุดภาวนาเสียงดังกลับมาภาวนาแบบเงียบๆจนเกิดสมาธิดิ่งลึกขึ้นมาปรากฏนิมิตเป็นรูปยกักษ์หนึ่งตนกำลังต่อสู้อยู่กับเสือสมตัวอย่างพลวันแต่เสือตัวหนึ่งนั้นถูกยักษ์จับหักคอได้สะก่อนจึงสิ้นใจลงขณะที่เสือตัวแรกกำลังจะตายเสือ อ, อีกสองตัวก็กระโจน ร, รุมเข้ามากัดที่แขนและขาของยักษ์ตัวนั้นทันที แต่ทว่าร่างกายของยักษ์นั้นแข็งปานหินเสือจึงกัดไม่เข้าแถมยังโดนยักษ์ง้างกระบองฟาดลงไปที่หัวอย่างแรงทําให้เสือตัวที่กัดยักษ์นั้นขาดใจตายทันทีและก่อนที่ตัวนึงจะหนีไปได้ยักษ์ตนนั้นก็ได้กระโดดขึ้นไปขี่ที่หลังเสือและหักคอเสือทันทีเสียงกระดูคอเสือนั้นลั่นดังกรึบครั้งเดียวสิ้นใจตายเมื่อเสือทั้งสามนั้นได้สิ้นใจลงเพราะถูกยักษ์ฆ่ายักษ์ตนนั้นก็ได้อ้าปากขึ้น จึงปรากฏเป็นแสงสีเขียวลอยออกมาจากตัวเสือทั้งสพุ่งตรงหายเข้าไปในปากของยักษ์ตนนั้นคิดว่าน่าจะเป็นดวงวิญญาณของเสือสมิงทั้งสที่จะต้องถูกยักษ์จับกลับไปนรกเป็นแน่แท้ทุกอย่างก็สงบลงในระดับต่อมายักษ์ได้หายตัวไปพร้อมกับติ่นสาบเสือหลวงพ่อจึงลืมตาขึ้นพบว่าเสือสามตัวนั้นได้หายไปแล้วคงเหลือไมแต่ผ้าสังฆติที่ผูกไว้เป็นรูปพุ่นพยนต์ตกอยู่เพียงอย่างเดียว จากเหตุการณ์ครั้งนั้นหลวงพ่อรุ่นท่านได้แต่สันิษฐานว่าเสือทั้งสามนั้นคงเป็นดุงวิญญาณเป็นแน่มิเช่นนั้นถ้าหากเสือตายลงศพของเสือจะต้องอยู่ให้เห็นแต่นี่เมื่อเสือได้ตายลงไปก็ไม่ปรากฏสิ่งใดเหลือให้เห็นเลยเหลือเพียงแต่ผ้าสังคติของท่านผืนเดียวเท่านั้นและนี่ก็คือหนึ่งในตำนานการเดินุดงของหลวงพ่อรุ่นวัดพลแพงครับก็ขอให้ทุกท่าน ได้รับความรู้เพิ่มเติมกับความบันเทิงนะครับเล่าอาจจะมีเร็วบ้างหรือช้าบ้างยังไงก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับผมก็พร้อมที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ขอยอมรับผิดนะครับว่าบางครั้งเล่าเร็วเพราะว่ากาแฟมันดีนะครับ mm. ก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ